ร้ 1> 1. ทุกคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกระเสียงโวกวากของบุญคำเพราะกระเอตโรลั่นอยู่ภายใต้ผ้าพลาสติกคลุมฝนที่ทั้งหมดเข้าไปซุกรวมตัวกันอยู่ทั้งหมดฝ่ายนายจ้างถามมาแซดว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งคริสติน่าเองปู้ยเบนนอนงอตัวหนุนปักอยู่ในขณะ น, นี้เนื่องมาจากหล่อ น, นั่งหันหลังให้บุญคา เลยไม่สังเกตไม่อาจจะสังเกตเห็นอะไรทางด้านหลังได้ระพินจุ ป, ปากลั่นอย่างสุดที่จะรำคาญใจอะไรอ่ยบุญคับุญวายสิจริงๆเชียโถหนายเกือบจุกเช่นน่ะเนี่ยสโกร้องหิวหิวของบุญคําก็ปลายบูธแข็งแข็งแมมเบลเห็นสีข้างไอ้คำาปม่ลูกฟุตบอลไ่ซะแล้วดีดไ ด, ด้ดีเอา้า ตาคำร้องฟอ้องมาเสียงสูงอย่างหัวฟัดหูวเหวี่ยงเ อ, อื้อมมือจะควานหาเท้าข้างนั้นขึ้นมาให้ได้แต่เบลหดหนีไปซะแล้วบอกปนหัวเราะมาว่าเอา้าก็มีอย่างอะ <c oughs> อยู่ไม่อยู่ก็ล้วงกัหมดถึงโคลนขาฉันก็ จ, กจักกะจีเส้นขามก็เลยกระตุกออกไปก็แมมทีบซี่โรงบุญขำก่อนน่ะเสียงก็ดังอย่างฉุนฉุนขึ้นอีกในลักษณะทุ่มเถียงทะเละ ก็ร้องเพลงอะไรไม่รู้คันหูวิลึกว้าก็บุญคําก็ก็ร้องเพลงไงพวกนี้มันเขยอบเข้ามาใกล้ใกลอะแ้วมันหนักอะไรแหม่มด้วยพอหายเจ็บหายไขยก็ ย, ย, ย, ยังชั่วขึ้นมาได้ก็ทักไทยคำได้บาคาบาทาทีเดียวนะน่ารักสิจริงๆแหม่มแบนนี่ขอโทษขอโทษนะบุญคำที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะแม่ผมแดงรีบบอกมา ในขณะที่รพินก็บอกให้แกหุบปากสทีเชิวดวุธกับพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพากันหัวเราะขึ้นด้วยความขันคิดกับสเตนลีบนอะไรพึมพำอย่างรู้สึกรำคาญเช่นกันส่วนคริสติน่าเขย่าตัวเบลผู้นั่งนอนผ้าพตัด ก, กล่อนเบาๆดุด้วยเสียงต่ำเบาให้แม่เพื่อนสาวยุติการตอแยไรยกตาเท่าสทีในภาวะเช่นนี้แล้วดึงตัวเบลให้ลุกขึ้นจากตัด บุญคำค้อนควักในความมืดบนกระป๋อกระแปดอยู่เช่นนั้นมาเงียบกริบขุบ ป, ปากลงได้พร้อมกับยิ้มออกเมื่อเบนผู้ลุกขึ้นมาจากตักคริสโอบแขนไปคล้องคอแกไว้ดึงเข้ามาจุกที่แก้มเหียเห่ยวๆ ต, ตอบตอบของแกโดยแรงครั้งหนึ่งน่าอย่ากโกรธฉันเลยนะบุญคำฉันทราบซึ่งในเพลงที่บุญคำร้องเมื่อกี้อะไรนะ ขยับขยิกขยับไหนๆร้องใหม่สิฟังเข้าทีดีนี่ไม่ร้องแล้วก็ต้องวาดแบบาว๊บเบาๆบนหัวเราขืนร้องอีกคราวนี้ของเท้านายราพินนะคงไม่ใชนะ่เท้าแมมเบรนกแล้วแมมก็ถอยห่างบุญคาไปหน่อยดีกว่าเพราะเท้าของนายทหารเชิดบุตกับนายขีดนะ่ะอาจจะช่วยกันยันมาทั้งสองเท้าพร้อมกันก็นกได้ ได้ยินแต่เท่าเอ่ยชื่อถึงตนคิดผู้ฟังภาษาไทยได้น้อยที่สุดในคณะก็ชะโงกหน้าเขาไปถามระพินผู้นั่งขยี้ปลายจมูกอยู่ใกล้ๆกลเฮ้ hey, ลิงแก่ของนายเขาเอ่ยอะไรถึงฉันวะเอออย่าไปสนใจเลยคิดบุญคำก็บอกว่านายอยู่ตรงไหนถึงนั่งเงียบไม่พูดอะไรมั่งเลยเขาก็พูดแค่นี้แหละ และรพินก็ออกคำสั่งให้มือขวาเท่าจอมแก่นของเขาละจากตำแหน่งที่อยู่ในขณะนี้เพื่อมานั่งข้างๆเขาบุญคำจึงคลานแทรกเบียดคนอื่นๆที่นั่งแออัดกันอยู่เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยความจำใจทั้งๆที่ก็อยากจะนั่งสีกับแมมเบมากกว่านี่รพินมันจะตกหนักอย่างนี้ไปอีกนานหมเนี่ย อเมริกันเอาโโซเอ่ยถามขึ้นก็ขเข้าใจว่าพอสว่างก็คงจะหยุดนะครับด็อเตอร์โชคดีมากนะครับที่มันมาตกใกล้รุ่งนี่ถ้ามันเริ่มตกตั้งแต่ตอนหัวค่ำเราก็จะไม่มีโอกาสได้พักหลับนอนกันเลยนอกจากนั่งจําเจ้ากันอยู่ใต้ผ้าคลุมแบบนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้นอนกันมามากพอสมควรนะครับโอ้ยผมหลับสนิทตลอดเลยคุณ เพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาก็ตอนที่ฝนมันซัดลงมาอย่างหนักนี่แหละแล้วเหตุการณ์ในบริเวณที่เราพักนี่เรียบร้อยดีหรอือระหว่างที่ผมหลับเป็นตายอ่ะครับก็ปกติดีที่สุดแล้วครับไม่มีวี่แววร้ายอะไรทั้งสิ้นครับจอมพลานตอบแล้วถามว่าเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาน่ะผมสังเกตเห็นคุณกระคิดมีอาการไม่ค่อยจะสบายนักตอนนี้ทั้งสองคนเป็นไงมั่งนะครับ ก็ค่อยยังชั่วแล้วล่ะแต่ก็ยังง่วงงวอยู่นะถ้าฝนไม่ตกลงมาสัก่อนวันนี้คงจะขอตื่นสายแน่ๆเลยล่ะเราจะไม่เร่งออกเดินทางนักหรอกครับสําหรับเช้า ว, วันนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พักกันอย่างเต็มที่สัก่อนต่อไปนี้ขอให้ทุกคนระวังในเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะครับสภาพของเส้นทางจะทวีความกันดานขึ้นทุกขณะรวมทั้งความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ และก็การขาดสเสบียงอาหารด้วยและทั้งหมดก็เงียบกันไปพวกลูกหาบส่วนใหญ่นั่งหลับนกอยู่ภายใต้พลาสติกคลุมหัวผืนเดียวกันระหว่างพายุและฝนสลับไปกระฟาที่ผาลงมาเป็นระยะระยะตลอดเวลายัางโชคดีอยู่บ้างที่ตำแหน่งพักอยู่ในบริเวณของป่าหินอันพอช่วยเป็นกำแพงบังลมไว้ แล้วก็มีเฉพาะหาฝนเท่านั้นที่กระหน่ำลงมาไม่ได้เป็นพายุลูกเห็บมิฉะนั้นสถานการณ์ของคณะจะยิ่งเลวร้ายมากกว่าเดิฝ่ายนายจ้างอเมริกันเริ่มมีโอกาสที่จะคิดและมองเห็นความจริงเด่นชัดขึ้นอีกหนึ่งภาวะและพียงไม่ถึงรอบ24ชั่วโมงเห็นการเดินทางในช่วงนี้ทั้งหมดก็ต้องผจญกภัพธรรมชาติกันอย่างหนักหน่วง เมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมาก่อนหน้าการสำรวจค้นหาสุสานของนิทรานครต่างก็ต้องเผชิญกับพายุหมุนกนลางทุ่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดคันพะตกกลางคืนแน่ใจว่าได้ที่พักแรมอันน่าจะปลอดภัยดีที่สุดแล้วพอใกล้รุ่งทั้งลมทั้งฝนก็ซ้ำเติมลงมาอีกอย่างทุลักทุเลไปหมดทั้งขบวน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 เกินกว่าที่มรกคุเทพนำทางได้เคยกล่าวเตือนไว้ให้สังวรหลายเท่านักนักบัตรนี้มันสายเกินไปซะและ้วพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะปริปากร้องอุทรคำใดได้เลยเพราะเป็นเจตจำนงของตนเองในการอาถรรพุกบันมาในครั้งนี้จะยอมให้แพ้ถอยหลังกลับก็เสียกีติภูมิของนักสู้ ผู้สําแดงความทารนงองอาจมาแตกต้นซ้ำยังกลับไม่ได้เสอีกด้วยเนื่องจากมรุเทศนำทางยังไม่ยอมกลับส่วนการที่จะก้าวรุดหน้าต่อไปเปอร์เซนแห่งความแตกดับพินาศลงหมดทั้งคณะก็มองเห็นอยู่ชัดเจนกว่าเปอร์เซ็นรอดมากนักมันเป็นภาวะจำยอมซะและ้วอนาคตของทุกคนตกอยู่ในกามือของพรานนาทาง ที่ชื่อระพิน์ไครวันเพียงคนเดียวซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วคนคนนี้แต่เดิมทีก็ไม่ได้เป็นผู้ชักจูงให้คณะทั้งหมดเดินทางมาตรงข้ามเขาเสีอีกที่ถูกบังคับให้เป็นผู้นําทางโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แท้ๆ แ, และเมื่อกลายมาเป็นผู้นําทางแล้วเช่นนี้เขาก็นําทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตที่สุดจนดูเหมือนกับว่า แม้รู้แน่อยู่แล้วว่าความตายรออยู่เบื้องหน้าก็จะต้องนำไปสู่ความตายนั้นโดยไม่บิดพริว้วมีชีวิตของตนเองร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยสเตลลีขยับตัวอย่างอึดอัดในความคิดคำนึงทบทวนเหตุการณ์และเหมือนจะอ่านหรือเดาใจกันออกฝ่ามือแข็งกระด้างอบอุ่นมั่นคงของพรานนำทาง ได้ควานมาพบเขาในความมืดนั้นแล้วบีบกระชับไว้มั่นพร้อมทั้งสั่นเขย่าวเบาๆอย่างปลุกปลอบใจหัวหน้าใหญ่ของ CIA ของชุดปฏิบัติการพิเศษชุดนี้บีบและเขย่าวมือตอบแทนความหมายว่าเข้าใจแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างฝนสาเม็ด ขาดหายไปเมื่อเวลาฟ้าสางพอดีตรงกับที่รพินคาดการไว้ทั้งหมดไม่มีใครคิดที่จะนอนต่อทั้งสิ้นต่างออกมาจากโปรงผ้า พ, พลาสติกที่คลุมหัวและเริ่มปฏิบัติภารกิจในทันทีน้ำฝนที่ขังรองไว้มีปริมาณมากเสียกว่าภาชนะติดตัวของทุกคนจะบรรจุได้เสอีกอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธกว่าแหล่งน้าทุกแห่ง ที่จะค้นหาได้จากพื้นดินปัญหาของการที่จะต้องแสวงหาแหล่งน้ำสำหรับวันนี้ผ่านพ้นไปได้พอลํลำแสงของตะวันที่ค่อยๆโผล่พ้นทิวเขาลิบๆขึ้นมาก็ปรากฏเป็นสายรุ้งขนาดใหญ่นามตาอยู่ทางด้านขอบฟ้ากว้างไกลอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตายิ่งเมื่อพากันยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ ยามเช้าอยู่บนยอดเนินที่พักพวกลูกหากเรื่องก่อไฟหูหาโดยอาศัยเชื้อเพลิงแบบเคมีของฝ่ายนายจ้างอันมีคุณสมบัติจุดไฟได้ติดในทุกสภาวะความเปียกชื้นเนื้อเลียงผาหย่างที่สุมไฟอยู่บนร้านถูกฝนที่กระนำลงมาเปียกหมดจนแทบอาศัยเป็นอาหารไม่ได้เลย พวกนายจ้างตัดสินใจสั่งให้นํำอัลเสบียงแบบเรชั่นออกมาแจกจ่ายกันเป็นมือสุดท้ายโดยแจกให้แก่พวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองทุกคนทั่วหน้าโดยไม่สนใจกับการทัดทานของระพินในข้อที่ให้สงวนไว้สําหรับกลุ่มนายจ้างเท่านั้นมันถึงเวลาแล้วระพินในข้อที่ว่าต่อไปนี้ถ้าเรามีกินก็มีกินด้วยกันและถ้าอด ก็ต้องอดด้วยกันเอเรชั่นพวกนี้เนี่ยพวกลูกหาบเขาแบกกันหนักมาเป็นเวลานานแล้วเราจะไม่สงวนไว้เฉพาะเราเท่านั้นล่ะผมขอแจกจ่ายไปยังทุกคนในอัตราที่เสมอภาคใครจะกินในมือนี้หรือจะกินในมือไหนก็สุดแล้วแต่ถนัดมันจะได้หมดภาระไปซะทีผมมาเกิดความคิดนี่เมื่อตอนฝนตกหนักใกล้รุ่งนี้เองคือพวกเราทุกคนต้องเข้ามาหลบอยู่ใต้ผ้า พืนเดียวกันทั้งหมดนั่งเบียดอาศัยไออุ่นซึ่งกันและกันหลอ่อล้อมรวมเลือดเนื้อและชีวิตเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งฝ่ายผมฝ่ายพรานนำทางหรือว่าฝ่ายลูกหักการเดินทางครั้งนี้ภายใต้การนำของคุณทําให้พวกผมรู้จักคุณค่าของชีวิตมนุษย์เราทุกรูปทุกนามและทุกสถานภาพขึ้นอย่างทองแท้โดยเฉพาะทุกชีวิตที่ร่วมทางกันมานี ระพินมองหน้าเขาไม่เห็นรับลมเล่ลวงใดๆนอกจากความบริสุทธิ์ใจจริงของผู้พูดและความรักสนิทอย่างมิดแท้ผมยินดีที่คุณมองเห็นสัจธรรมแห่นชีวิตในข้อนี้ครับคุณเห็นโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรกับพวกคุณทั้งสิน้นเหตุการณ์มันชี้นำแล้วก็สอนให้พวกคุณได้ทราบเอง ผมขอยืนยันได้อย่างเดียวกันว่าคนของผมเหล่านี้เขาบุยปากไปทางพรานพื้นเมืองและลูกหาบที่กำลังทำงานกันอยู่อย่างแข็งขันแม้ว่าทุกคนจะตาศักด้อยฐานะผิดผิวพัน์รายการศึกษาพวกเขาทั้งหลายต่างไปจากคุณทั้งหลายมากแต่สิ่งที่สูงส่งของพวกเขาก็คือศีลและสัตว์จักด ตลอดจนดวงวิญญาณแห่งมนุษยธรรมซึ่งก็ไม่แน่นักว่าคนที่เจริญแล้วได้วัดถุจะมีได้เสมอเหมือนพวกเขาหรือไม่ใช่ครับเขาทุกคนมีความเป็นมนุษยชาติเช่นเดียวกับพวกคุณและบัดนี้ผมดีใจครับที่พวกคุณได้รู้จักเขาดีแล้วทุกคนแน่นอนดพิน ผมรู้จักพวกเขาทุกคนได้ดีแล้วผมยอมรับว่าได้ค่อยๆเรียนรู้และรู้จักเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนับวันเวลาที่ผ่านไปมันเป็นความรู้ใหม่ที่แปลกสำหรับพวกเราซึ่งถ้าไม่ได้มาพบเห็นด้วยตัวเองจะไม่มีวันได้อย่างรู้มาก่อนเลยขอบคุณคุณนะระพินที่ทำให้ผมได้รู้จักมัน ด็อเอร์ครับนอกจากคุณแล้วพวกคุณอีกสามคนนะครับผมหมายถึงคีดอิซาเบร์แล้วก็คริสตินา่าเขาจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เหมือนเหมือนกับคุณหรือเปล่าละครับกระพินเราได้พูดกันถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วเมื่อครู่นี้นะทุกคนมีความเห็นอย่างที่ผมพูดกับคุณนี่แหละและในฐานะเป็นหัวหน้าคณะ พวกเขาได้วานให้ผมเป็นตัวแทนนำความรู้สึกของพวกเราทุกคนมาบอกกับคุณจอมพลานยกมือขึ้นแตะปีกหมวดเป็นการแสดงความคาระวะครับถ้าเช่นนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับระหว่างฝ่ายของคุณกับฝ่ายของผมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันต่อไปโดยลดข้อขัดแย้งลงไปมากที่สุดเอาละครับ ผมจะไม่ขัดศรัทธาในการที่คุณจะแจกเรซ่นอันเป็นสเสบียงจำนวนสุดท้ายเหล่านี้ให้แก่คนของผมทั่วหน้ากันมันหมายถึงว่าพวกคุณรู้จักคุณค่าแห่งน้ำใจของพวกเราแล้วและพร้อมที่จะร่วมทุกสิ่งทุกอย่างกับเราอย่างเคียงบ่าเคียงไหลจนถึงที่สุดจะสำเร็จผลหรือมิฉนั้นก็ตายด้วยกันทั้งหมด โดยมีพวกผมยอมเสียสละพลีชีพให้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วพรานใหญ่ก็หันไปบอกบรรดาคนของเขาไม่ว่าจะเป็นพรานพื้นเมืองและลูกหาบซึ่งอยู่ในภาวะลังเลไม่ค่อยกล้ายอมรับเครื่องเรั่นที่คีธเบร์และคริสตินานัดขึ้นมาส่งแจ ก, กจ่ายให้โดยบอกให้พวกนั้นยอมรับไว้ ทั้งหมดจึงยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทำให้สไตลลียิ้มออกมาได้ยังปลอดโปรงใจ พ, งพึมพำออกมาว่าระพินคุณทำให้ผมสบายใจขึ้นมากทีเดียวแล้วก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ต่อไปภายใต้การนำทางของคุณพวกเราทั้งหมดหนักดีว่าเราได้เดินทางมาถึงจุดวิกฤตแล้วต่อไปนี้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 เบลก็กระโดดลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งยิ้มแจ่มใสให้คุณไม่มีอะไรจะต้องกังวลต่ อ, อาการของฉันแล้วละ่ะไพรวนเนี่ยเช้าวันนี้ฉันรู้สึกว่าเกือบจะปกติดีเหมือนเดิมทุกอย่างล้แล้วก็เชื่อว่าจะไม่เป็นภาระให้กระหมูคณะอีกแล้วด้วยแผลก็ติดสนิทไม่มีอักเสบอาการไข้ก็ไม่มีแล้วก็แข็งแรงดีที่สุดด้วยจอมพรานยิ้มให้ ก้มศีรษะลงนิดนึงอืมดีมากดีมากเลยเบลพระเจ้าประทานพรให้กับคุณละผมก็เชื่อนะว่าคุณหายดีละสำหรับเช้าวันนี้มิฉะนั้นก็คงจะหยอกบุญคำด้วยเท้าไม่ได้หรอกก็ต้องขอบคุณคริสนะที่ให้การช่วยเหลือดูแลคุณอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็หันไปตบไหลค่คีตเบาๆในระหว่างที่หมอนั่นกำลังเอาน้ำมันหล่อลื่นกันสนิม จีพ้นกลไกลของไรเฟิลประจำมืออยู่นี่เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาน่ะรู้สึกอาการของนายจะไม่ค่อยดีนักนะมีไข้เล็กน้อยหวังว่าเช้านี้คงจะปกติแล้ววิออยังไงนายคิดอเองอยหน้าขึ้นแยกเขียวยิ้มนายนี่เป็นกัปตันทีมที่วิเศษสุดเลยวะรพินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกทีม เป็นต้องอยู่ในสายตารู้เห็นของนายตลอดและจะให้การดูแลอย่างดีเยี่ยมใช่ไนี่สำหรับชั้นนายไม่ต้องห่วงอาจจะปวดหัวตัวร้อนมั่งก่อนนิดหน่อยได้พักผ่อนให้เต็มที่มันก็หายได้เองคนเดินตามหลังนายระพินจะมาทำอ่อนแออยู่ไม่ได้หรอกเพราะโคตรโหดเลยไอ้ความจริงตัวนายก็เล็กก็นิดเดียวไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาหาหินอย่างนี้พาวะระพินหัวเราะเบา เปลี่ยนสายตาไปที่เชิดบุตรในทหารรุ่นน้องก็รีบรายงานสำหรับผมก็ยังเหมือนเดิมครับพี่ถึงไหนถึงกันจะนรกหรือสวรรค์ที่ไหนไม่ยันสำคัญตัวพี่เองอะอย่ากเกิดอาการจับไข้งักงักขึ้นซะก่อนในระหว่างนาทีฉุกเฉินหรือเกิดอาการเส้นเลือดตีบขึ้นมากระทันหันในเวลาใดเวลาหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาเป็นวัตโชของพวกคุณดี ผมก็จะไม่เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นบ่อยนักหรอกและถึงแม้ผมจะเกิดพิการขึ้นช่วขนาดหรือต่อให้ตายไปเลยคนของผมก็ยังมีอยู่อีกถึงสี่คนก็พอจะเป็นหลักประกันในการเดินทางตัดของบกคุณได้อย่างสบายขอเชื่อมั่นในพวกเขานะครับแล้วรพินก็แยกตัวไปสุดนั่งลงเอาใบมีดโกนพยายามจะกรีตัดขากงเกีงอีกข้างหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ให้ขดสั้นลง เหลือเท่าข้างที่คริสติน่าตัดไปให้ขณะที่เกิดอุปตทวเหตุเมื่อบ่ายวานนี้เพื่อมันสั้นเสมอกันกลายเป็นกางเกงขาสั้นไปคริสติน่ามองเห็นเขาก็ปาดเข้ามาทันทีถามโดยเร็วนั่นนั่นคุณจะทำอะไรพี่จันป่านี้ยังไม่คิดจะเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่หรือไงเอาผมก็บอกแล้วนี่ว่าผมไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมามากนะักคุณตัดขามันไปข้างนึง ผมก็ใส่เป็นกางเกงขาด้วนมาจนถึงเช้าวันนี้นี่ก็เลยอยากจะตัดออกซะอีกข้างหนึ่งมันจะได้ใช้เป็นกางเกงขาสั้นดีกว่าจะทิ้งซะเลยทั้งตัวมันก็เสียดายอะคุณทุเร่ จ, จริงๆเลยคุณเอามานี่ฉันจะตัดให้เองคริสติน่าบอกเบาๆแล้วแย่งมีดโกนไปจากเขาหลอนบรรจงกรีดตัดขากางเกงข้างที่ยังเหลือยาวอยู่ของเขาโดยตกะขนาดให้เสมอกัน กับข้างที่ตัดสั้นไปก่อนแล้วเมื่อวานซึ่งก็เป็นริว้วกระรุ่งกระริ่งอยู่พอกรีดรอบจนขาดออกก็พับชายทำเป็นตะเข็บใช้เข็มเย็บผ้ากับได้สอยเข็มให้มันดูเรียบร้อยขึ้นระหว่างที่หล่อนเย็บลวกๆแต่ฝีมือคล่องแคล่วว่องไวนั้นระพินนั่งเอาหลังพิงก้อนหินวางขาข้างนั้นในลักษณะที่ให้หล่อนสามารถเย็บได้อย่างถนัดนี่คุณ ผมนึกว่าคุณจะชำนาญในการเย็บบาดแผลอย่างเดียวจริงๆก็เย็บผ้าเป็นเหมือนกันนะเขาถามตาก็มองจับอยู่ที่มืออันฉับไวของคริสไอ้เย็บชายตะเข็บผ้านะมันง่ายกว่าเย็บแผลมากนะคุณแล้วความจริงฉันก็เป็นผู้หญิงแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกัน แ, แค่เพียงงานพื้นๆของลูกผู้หญิงแค่นี้ถ้าทาไม่ได้แล้วทําไม่เป็นมันก็เกินไปหน่อยอ่ะอย่าดูมินนี่ อาหารยังก็ทำเป็นด้วยนะหน้าที่ของแม่บ้านฉันก็พอจะรู้แต่ที่ไม่ได้ทำให้ซะแต่แรกก็ไม่คิดว่าคุณจะทนใส่กางเกงช้ำรุษทุเรศตัวนี้อยู่อีกไงนึกว่าคงจะโยนทิ้งมันไปซะแล้วเพิ่งมาสังเกตแล้วเดี๋ยวนี้เองว่ายังทนใส่มาจนถึงเช้าวันนี้อยากจะรู้จริงๆจ้ะว่าแฟนคุณมาเห็นคุณสวมกางเกงขาถูกตัดไปข้างหนึง่งปล่อยอีกข้างนึงอยู่แบบนี้เธจะว่ายังไง คุณจะนึกตำหนิฉันเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้ช่วยจัดการอะไรให้คุณเลยหล่อนพูดแผ่วเบารวดเร็วอาการเหมือนจะบน่นแล้วก้มลงมาชิดเข่าเขาใช้ฟันกัดเส้นได้ขาดออกเมื่อขมวดปมเย็บเสร็จเรียบร้อยจังหวะนั้นตาต่อตาสบกันแวบหนึ่งนี่คริสแฟนผมนะ จะไม่มีโอกาสได้เห็นผมอีกแล้วไม่ว่าในลักษณะไหนยังไงแม้แต่ผมกำลังจะสิ้นใจก็ตามทีคุณเป็นคนมีความกรุณามากนะคริสและเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อในประวัติความเป็นมาของคุณที่ได้รับฟังจากเบลหรือจากปากคุณเองเลยในด้านความร้ายกาศต่างๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามว่าไลาล่าอมิเตสสายลับลูกครึ่งเตรกิสอเมริกัน ภูมีอารมณ์วิปริตแบบส ด, ดิสมเคยเป็นฆาตกรเลือดเย็นเคยถูกยึดใบประกอบโรคศิล์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ศัลยแพทย์นิรพิษคุณอย่าพยายามค้นหาหรือวิเคราะห์อะไรเย่งเลยรู้แต่เพียงว่าฉันนั้นไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอกอย่างที่คุณเข้าใจแต่แรกนะก็น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วบนเส้นทางมรณะสายนี้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 สิ่งที่ผมมอบให้คุณเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่ปะคริสติน่าเอามือแตะคำที่หน้าอกยังอยู่แล้วก็จะอยู่ติดตัวฉันตลอดไปรวมทั้งคำพูดสั่งสอนตักเตือนของคุณด้วยดีมากขอถามนิดเดียวเท่านั้นได้ไหมตกลงจะถามว่า เมื่อคืนน่ะทำไมเชิดบุตรถึงได้มานอนอยู่ใกล้ๆฉันแทนที่ของคุณหลอนจ้องตาเขาแน่วนิ่งอย่างเจตนาเค้นคำตอบระพินประสานตาสีฟ้างามคู่นั้นด้วยสีหน้าอันเรียบสนิทของเขาก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่ลุกขึ้นมาตรวจยามขณะที่คุณหลับตอนนั้นบางเอินบุตรน่ะเขาตื่นขึ้นมาเพราะด้านเขาน่ะถูกรบกวนด้วยพวกมด มันรุมกัดเขาผมก็เลยให้เขาย้ายมานอนแทนที่ผมเพราะผมลุกขึ้นแล้วอ่ะตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ต้องดูแลบริเวณโดยไม่คิดที่จะนอนอีกก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งนั้นแหละทำไมเขารบกวนอะไรคุณเหรอปล่าเขานอนใกล้ชิดแทนที่คุณก็จริงอะ่ะแต่ทาตัวเรียบร้อยดีมากอะตอนที่เขาหลับไปฉันยังห่มผ้าเขาเลยก็ขอถามคุณแค่นี้แหละ เพราะไม่เข้าใจเจตนาของคุณไงเอาละเราจะหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วเบนกำลังเข้ามานั่นเช้าวันนี้แม่จอมยุ่งเจ้าแม่ยั่วไัยแข็งแรงสดชื่นดีแล้วฉันเป็นห่วงคุณนะว่าอาจจะเดือดร้อนยุ่งยากตำบักแต่ก็อีกไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งเพียงแค่สิ้นประโยคของคริสติน่าเท่านั้นเบนผู้ตกเป็นภาระของหมู่คณะทั้งหมด ในฐานะผู้พิการไปถึงสามวันเต็มๆก็เดินด้วยอาการปาดเปรียวแคล่วคล่องเข้ามาหยุดยืนยิ้มค้ำอยู่ยังบุคคลทั้งสองอากับกิริยาของหลอนหินชัดว่าเกือบจะปกติเหมือนเดิมโดยไม่ต้องฝืนและมีอารมณ์ที่ระรื่นอันเป็นบุคลิกประจำดูแปลกไปนี่วันนี้คุณสวมกางเกงขาสั้นนึงไงแม่ผมแดงรองทักเมื่อมองเห็นกางเกงของรพิน ถูกตัดไปสั้นเหนือเข่าซึ่งทําให้ดูแปลกตาไปกางเกงตัวเก่าผมอะเมื่อวานนี้มันดูแปลกกว่านี้ซะอีกคุณเพราะขาขาดไปครึ่งนึงมาเช้านี้นะ่ะคริสเขาได้ตัดออกไปให้อีกข้างก็เลยเสมอกันคุณอาจจะเจ็บป่วยซะจนไม่ได้สังเกตก็ได้แต่จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะนุ่ง ม, มาในวันนี้หรอกเพราะมันสกรปรกเต็มทีแล้วเพียงแต่ให้คริสช่วยตัดให้ขามันเสมอกัน เปิไว้สวนเวลาจำเป็นแทนที่จะทิ้งไปเสเปล่าๆเขาบอกมาเบาๆแล้วมองดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเบลซึ่งขมุกขมอมพอๆกับเข้าในขณะ น, นี้อันเกิดมาจากการหมักหมมตลอดทั้งวันแห่งการพจนภัยหนักเมื่อวานและไม่ได้มีการผลัดเปลี่ยนเลยเสื้อกางเกงของหล่อนชุดนั้นก็ขาดเป็นริ้วรอยอยู่ทั่วไปเช่นกันเกิดจากแง่หินและกิ่งไม้เกี่ยว ขณะนี้หลอนปล่อยช้เสื้อรุ่ยร้ยและแกะดุมออกหลายเม็ดโดยถอดเสื้อแจ็กเก็ตออกพาดไหลสอดมือเข้าไปเกาแบบคันเยออยู่บริเวณใต้ถันข้างที่เป็นบาดแผลและมีรอยเย็บไว้หรือไม่สนใจกับสายตาของผู้ใดทั้งสิ้นซึ่งทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ละสำหรับแม่อเมริกันสาวผมแดงชิอยจะเป็นเพราะหลอนเข้ามายืนระ ง, งานจังก้าอยู่ใกล้ศีรษะของเขาเกินไปก็ได้ ระพินก็เลยต้องลุกขึ้นยืนเพราะวีมาคือมากลางลำตัวของแม่จะประคุณลอยอยู่ในระดับใบหน้าเขาห่างเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นอเมื่อวานฉันมาถึงที่นี่เกือบจะในลักษณะโคมา่าแทบจำอะไรไม่ได้เลยหลอนว่าเอามือตบปากตัวเองขณะที่หาวไปพลางแล้วกว่าสายตาไปรอบๆ บ, บริเวณอันเป็นที่พักซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยน้าฝนนี่ ก็เพิ่งจะมาสังเกตเห็นที่พักนอนตอนตลอดคืนของเราเด่นชัดในเช้านี้เองภูมิประเทศมันสวยมากนะโดยเฉพาะสายรุ้งที่พาดอยู่กลางท้องฟ้านอนว่าแต่นีเนะสุภาพบุรุษไพรวันตลอดคืนที่ผ่านมาแล้วนะ่ะคุณพอจะบอกให้ฉันหรือพวกเราแน่ใจได้หรือยังว่าเราพ้นจากรัศมีการติดตามรังควานของไอ้พวกผีดิบมันไรแล้วหรือยัง เรพ้นจากอาถรรพ์ของนิทานนครแน่นอนแล้วละ่ะเบรผมเชื่อมั่นอย่างนั้นอะไรทําให้คุณเชื่อถึงขนาดนั้นละ่ะมันหมายถึงว่าตลอดบ่ายวันวานนี้ที่พวกเราพยายามค้นหาแหล่งสุสานโบราณและระเบิดปิดทางเข้าออกได้หมดเท่าที่จะค้นหาพบทําให้มันไม่อาจจะยกขยโญงพลพัคออกมาได้อย่างงั้นเหรอ นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้วดีกว่าจะไม่ได้ทำอะไรลงไปซะเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากเกี่ยวกับเรื่องที่เราระเบิดปิดทางเข้าออกพระสุสานผีดิบเหล่านี้น่าจะยังมีอยู่อีกมากโดยเรายังค้นไม่พบตลอดจนซากของพวกมันที่เคลื่อนย้ายออกนอกสุสานไปแอบซ่อนอยู่ที่อื่ น, นๆก็น่าจะมีอยู่ทั่วๆไป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 เราพ้นรัศมีมนมืดของมันแล้วละ่ะระพินพูดมาด้วยเสียงต่ตําๆอาการของเขาอยู่ในลักษณะคร่ครวนตนเองก็ไม่อาจจะขบปัญหาในเรื่องนี้และไม่อาจจะอธิบายออกมาได้ชัดเจนเช่นกันว่าเหตุใดเขาถึงได้เชื่ออย่างนั้นเพราะตั้งแต่เผชิญกับปัญหานี้มาโดยตลอดเขาก็ยังไม่อาจจะเห็นกระตาว่าเจ้าซากนักรบโบราณที่วิญญาณของมันไรเข้าไปอาศัยสิงสู่นั้น จะได้ถูกทำลายไปตั้งแต่เมื่อใดมันปลาศนษาการไปอย่างปราศจากวิแววให้ค้นพบได้อีกหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่าในการประจันบานกันอย่างขนาดหนักด้วยระเบิดเพลิงเมื่อสองคืนก่อนที่ผ่านมาซากที่มันไรเข้ามาอาศัยสิงสู่ใหม่ในร่างกายของนักรบตรงนั้นอาจเจอเข้ากับระเบิดเพลิงเผาไหม้กลายเป็นเท่าไปแล้วก็ได้ ระหว่างเกิดการประทะชุนลมุนกันอยู่ยังป่าทึบใต้โคลใสใหญ่หรือมิฉะนั้นมันก็อาจจะหนีเข้าไปหลบอยู่ในสุสานแห่งใดแห่งหนึ่งอันเป็นตำแหน่งที่พวกเขาใช้ระเบิดปิดปากทางเมื่อตอนบ่ายวันวานทาให้สากนั้นไม่สามารถจะโผล่มาได้อีกก็เป็นได้คริสติน่าเอียงคอมองดูอาการเขาแล้วกล่าวมาว่านี่คุณสาบานนะ ว่าเมื่อคืนนี้นะฉันได้ยินเสียงอะไรอะไรที่มันประหลาดน่ากลัวมากแม้จะไม่ถึงการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นก็ตามเชิดวุฒิที้วก็อาจารย์ก็บอกนะว่าทุกคนฝันเห็นสิ่งหน้าขนพองสยองเกล้าวมันแห่กันมาล้อมที่พักเราเต็มไปหมดสอบทานกันแล้วลักษณะความฝันเหมือนกันทุกคนนี่คุณเชื่อผมไหะไม่มีอะไรหรอก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 ก็สุดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจมั่นคงเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้เสมอขอย้ำเตือนนะครับย้ำเตือนว่าทุกคนโปรดระวังสุขภาพตนเองไว้ให้ดีที่สุดครับขณะนั้นสแตนลีย์คิดและเชิร์ตบุ๊กก็พากันเดินเข้ามาร่วมกลุ่มกันทั้งสามหัวหน้าคณะอเมริกัน เอ่ขึ้นอย่างยินดีว่านี่คุณเมื่อครู่นี้ยบุญคําเข้ามาบอกกับผมว่าฝนตกเมื่อใกล้รุ่งเนี่ยถ้าไม่มีน้ําขังอยู่ตามแอ่งหินที่ลิ่มที่ลุ่มอยู่หลายแห่งกลายเป็นบ่อน้ําทั่วไปใต้เนินลูกนี้คุณคิดว่าพวกเราพอจะใช้เป็นน้ําอาบได้บ้างไหมเพราะพวกเราก็หมักหมมกันเต็มทีแล้วคําพูดของสแตนลีย์ ทำให้สองสาวดวงตาเป็นกระกายขึ้นด้วยความดีใจครับด็อกเตอร์ผมก็ตั้งใจว่าจะบอกให้ทราบเหมือนกันแต่เห็นว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่มากและอากาศก็ยังเย็นจัดรอให้ห็นแสงแดดสายกว่านี้อีกสักนิดหนึง่งใครจะอาบน้ำชำระร่างกายยังไงก็เชิญตามสบายนะครับดีเหมือนกันจะได้มีแรงสำหรับการบุกหนักวันนี้ต่อไปแต่ก็ต้องขอเตือนให้ทราบ่วงหน้าว่า ระยะทางข้างหน้าต่อไปเนี่ยอย่าหวังอะไรมากนะักเกี่ยวกับการอาบน้ำเพราะแม้แต่น้ำกินก็ยังหวังไม่ได้เลยสภาพของเราบางขณะก็อาจจะต้องเหมือนการดำรงชีพของสัตว์ป่าเฉพาะเส้นทางที่ผ่านกันมาแล้วเท่านั้นแทบทุกครั้งของการวางแคมป์ผมมักจะหาแหล่งน้ำให้พวกคุณได้เสมอแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปเอาแน่อะไรไม่ได้มันเข้าสู่เส้นทางวิกฤตแล้ว พบอาหารเรากินพบน้าที่จะดื่มได้เราดื่มถ้ามันมากพอที่จะอาจได้เราก็อาจแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างประคองชีวิตให้รอดอย่างเดียวพร้อมทั้งคืบหน้าขอบคุณนะที่ให้ความจริงอย่างตรงไปตรงมาคริสติน่าพูดเบาๆแววอึดอัดกังวลฉายผ่านไปในแววตา แว็บหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความไม่ประวันพ่านพึงเหมือนเดิมส่วนเบยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าบ่นเบาๆอาย่างอื่นก็พอจะทนได้อยู่รอแต่การที่ร่างกายไม่ได้พบน้ําเลยภายหลังจากที่หมักผ ม, มมาทั้งวันด้วยการเดินทางหนักนี่มันก็คงจะทรมานดีพิลึกแล้วหลอนก็ถามมาทางเขาอย่างไม่มีความหมายอะไรจริงจังนักว่า ระพินพวกคุณทนไม่อาบน้ำได้นานเท่าไหร่ระพิงยิงกลั้นๆเสียงของเขาต่ำเมื่ออยู่ในป่าคุณต้องเป็นคนป่ามิฉะนั้นคุณเอาชีวิตไม่รอดเบพวกผม่ไม่สนใจเรื่องอาบน้ำหรอกขอให้มีแค่กลัวคอกันตายก็พอแล้วบางทีนะเราไม่ได้พบกันน้ำอาบเลยเป็นอาทิตย์ เราก็อยู่ได้ฝึกอย่างอื่นมาได้แล้วในการเดินทางครั้งนี้คุณต้องฝึก ก, การไม่คำนึงถึงการอาบน้ำด้วยต่อไปคุณก็จะชินไเองอ่ละเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ผู้หญิงต้องมาเดินป่าอยู่กับผมก็เรื่องอาบน้ำนี่แหละถ้าคุณมาเที่ยวป่าธรรมดาแน่นอนครับบามาคุเทศนำทางจะต้องสแสวงหาแหล่งน้าอาบให้คุณได้เป็นระยะ แต่การที่คุณบุกมาเพื่อทำงานในครั้งนี้คุณจะหวังให้มีน้ำอาบไปทุกระยะนะ่ะย่อมไม่ได้เด็กขาดทาไม่เข้าใจมาก่อนก็โปรดเข้าใจเส่เดี๋ยวนี้นะครับใช่ใช่เขาพูดถูกแล้วคิดร้องออกมาเสียงหนักๆอย่างคนที่เริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะที่เผชิญกันอยู่ขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกของการออกเดินทางมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อ่ะ ก็เพิ่งเห็นเองพูดอย่างฉลาดเดี๋ยวนี้และวะ้ววะเชิดบุดบอกมาหน้าตาเฉยคิดจุปากดังลั่นอย่างหัวเสียอุบอิบสะบ น, บนดาไรพึมพำอยู่ในลำคอนี่รพินขอถามอะไรงงงสักหน่อยได้ไหมคริสติน่าเอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงเบาเรียบปราศจากท่าที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 เท่าที่พวกคุณผ่านกันมาแล้วนี่เขอเรียนตามตรงครับว่ายังไม่ได้หนึ่งในสิของความกรากรรมทุกขเวทนาเท่ากับที่คณะนายจ้างเก่าของผมพบมาแล้วนี่คือความสัตว์จริงครับแล้วคุณหญิงของคุณ่ะเธอเคยไม่อัดน้ํานานกี่วันหล่อนถามมาอย่างเกรงใจที่สุดระพิงหยิบก้นบุรี่ที่ดับครึ่งตัวมาทัดหูไว้ ลุงมาคาบแล้วจุดอัดควันลึกก็สี่หรือห้าวันเต็มๆนะครับที่เธอไม่ได้พบหรืออาบน้ำเลยก็ยังเคยสภาพเหตุการณ์มันบังคับนะครับแล้วเธอบ่นอุทธร อ, อะไรบ้างไหมโ้ยก็บน่นที่จนบ่นไม่ออกบ่นกระทั่งเลิกบน่นกลายเป็นความเคยชินไปในที่สุดนะพวกคุณโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งสองคน ต้องพยายามทำให้ได้เหมือนเธอครับผมบอกตามตรงครับว่าห็นใจในเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไการเดินเพื่อแสวงหาเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่โดยตรงและหน้าที่จำเป็นของฝ่ายผมอยู่แล้วแต่ถ้าหาไม่พบก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อพบแหล่งน้ำพออาบได้และไม่เป็นอันตรายก็เชิญอาบเผื่อไว้สาหรับวันที่จะต้องไม่ได้อาบด้วยครับเออ ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะผู้หญิงก็อย่างนี้แหละบางลักษณะเขาทนอะไรไม่ได้อย่างที่พวกผู้ชายเราทนได้สแตลลีกล่าวขึ้นพร้อมกับโคลงศีรษะไปมาหันไปตบไล่สองสาวอันเป็นคณะผู้ร่วมตายที่มาด้วยอย่างพลอยรู้สึกสงสารเห็นใจมันเป็นความจริงในข้อที่ว่าผู้หญิงสาวสวยที่มาจากแดนซิวิไลเหล่านั้น ทุกคนไม่อาจจะทนต่อความหมักหมมและไม่สะอาดของร่างกายตนเองได้ติดต่อกันในระยะเวลายาวนานพวกหล่อนย่อมเกรงไปสารพัดความเหนึบหนักขยงังขยะขยัยงตัวเองกลิ่นไอตัวที่สกปรกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างสรีระของร่างกายอันสลับซับซ้อนของเพศหญิงที่มีมากกว่าเพศชายหลายเท่านัก แล้วเช้าวันนี้ก่อนการออกเดินทางคุณจะอนุญาตให้เราอาบน้ำได้ใช่ไหมคุณคงไม่รีบสั่งให้ออกเดินทางเร็วเกินไปนักแล้วนะระพินเบลถามมาเสียงอ่อยระพินยิ้มให้อย่างปราณีครับตามสบายเลยครับผมบอกแล้วไงว่าวันนี้เราจะไม่เร่งด่วนอะไรเกินไปนักมีแอ่งน้ำขังอยู่มากมายรอบบริเวณตีนเชิงข้างล่างนี่ บางแห่งก็มีลักษณะเหมือนอ่างอาบน้ําที่จะนอนแช่ตัวได้ด้วยแต่ก็อย่าลืมอาบเผื่อไว้ด้วยแล้วกันเผื่อว่าเย็นนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปเราอาจจะไม่อาจหาแหล่งน้ําอาบได้พบชาวปลูกของวันนี้สวรรค์ประทานน้ามาให้กับคุณสุภาพสตรีทั้งสองนะครับขอบคุณในด้านความกรุณานะสงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้ แล้วพากันเดินผละแยกตรงไปยังกองสันพร ะ, ระเพื่อค้นหาสิ่งของจำเป็นปล่อยให้ชายทั้งสี่ยืนสนทนากันอยู่ที่นั่นมันเป็นเช้าของวันแรกที่นายคิดไม่ได้หันไปสนใจกวิทยุรับส่งติดต่อเครื่องใหญ่ของพวกตนเลยแม้ว่ารพินจะเตือนให้ไปทดลองดูในนั่นก็สั่นหัวดิเออมันตายห่าปแล้ว วิทยุเวรเครื่องนั้นน่ะมันต้องไปยุ่งอะไรกับมันในเสียเวลาหรอกฉันอยากจะกระทืบมันทิ้งจะรู้แล้วรู้รอดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ น, นายแล้วกันไม่ว่าจะนําทางไปทางไหนนรกขุมใดพวกฉันก็จะตามนายไปทุกแห่งนั่นแหละนี่แน่ใจเหรอว่าไม่มีชิ้นส่วนใดของมันชำรุดหรือถ้แก้ไขซึ่งถ้าแก้ไขก็อาจจะใช้งานขึ้นมาได้บางทีนายอาจจะมองผ่านไปซะได้นะ ระพินซ่อนยิม้มถามด้วยเสียงปกติของเขานารกฉันรับรองกับนายได้เลยว่ามันไม่มีอะไรเสียสักอย่างตรวจมาทั้งหลายหนแล้วมันเสือกไม่ดังเองแต่ดีเครื่องมือถือดันรับส่งได้ปกติยังก็มีอะไรมาอุดมันไว้งั้นแหละว่าแต่ว่าวันนี้เออนายจะบายหน้าไปทางไหนอะ่ะจอมพรานชี้ขึ้นไปยังปลายรุงกินน้ํา โน no. สุดปลายรุ่งที่มองเห็นอยู่หน่อยฉันจะพาพวกนายไปถึงเดียะไม่ต้องไม่ต้องห่วงหรอกแดมิทถ้าฉันรู้ล่วงหน้าแบบนี้ฉันไม่มาหรกว่าไปหาข่าวในลิเบียยังดีกว่าที่โอกาสรอดยังมีมากกว่าระพินตกไหลอันนาปึกของคิดเบาๆจะเย็น ตั้งสติให้ดีนายมันก็ชายชาติทหารทาไมกลัวสัอย่างเดียวอะไรต่ออะไรมันก็เรื่องเล็กไปหมดอ เ, เออสําคัญก็อย่าหักหลังกันก็แล้วกันหักหลังเหรอหักหลังเพื่ออะไรกันความจริงฝ่ายฉันน่าจะพูดอย่างนี้กับพวกนายซะมากกว่าคิดยักไหล่แล้วหุบ ป, ปากเงียบไป ฟ้าหลังฝนยามเช้าเริ่มกระจ่างใสขึ้นเป็นลำดับที่สุดลำแสงตะวันก็สาดสว่างฝ่ากลุ่มเมฆลงมาละลายสายรุง้งอันงดงามที่ท้าเกือบจะเป็นรูปครึ่งวงกลมกลางแผ่นฟ้าให้จางหายไปอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นทัศนวิสัยรอบด้านสามารถมองเห็นไปได้กว้างไกลด้านหนึ่ง เป็นท้องทุ่งที่ราบสูงสลับไปด้วยเนินสูงสูงต่ําๆที่เดินผ่านกันมาแล้วเมื่อเย็นวานส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นป่าทํรมทึกและเห็นดามืดอยู่เบื้องหน้าถัดจากพุ่มพงกอไม้อันเป็นดงว่านผีปอบที่มองเห็นอยู่ไม่ห่างนักกลุ่มนายจ้างของเขาและเชิดบุตรขอตัวไปเพื่อหาแหล่งอันเป็นแหล่งน้า เพื่อชำระสะสางร่างกายซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทั่วทั่วไปจากน้ำฝนเมื่อใกล้รุ่งที่ไหลลงไปขังอยู่ตามแอ่งหินรอบรอบเนินที่พักระพินยืนสองกล้องไปยังป่าดงดิบเบื้องหน้าอย่างพินิจใคร่ครวญคนเดียวพยายามทบทวนเรียกร้องความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนักสมัยที่ภาคณะของคุณชายเชษฐาเดินทาง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 ทั้งคณะก็อยู่ในสภาพที่ออกเดินทางต่อไปได้ทุกคนของฝ่ายในจ้างอาบน้ำชำระร่างกายและผัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ช, ชุดใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอิสเบรและคริสติน่าดูจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นอีกครั้งระหว่างที่รัพพินกำลังกำหนดเส้นเดินทางในช่วงแรกลงในแผนที่ของเขาโดยเปรียบเทียบกับเข็มทิศเบนผู้เช้าวันนี้แต่งกายชุดใหม่รั ก, กุม สวยสดเป็นพิเศษก็เดินตรงมาที่เขาพร้อมกับยื่นบุหรี่อเมริกันที่ยังไม่ได้แกะซองมาให้เขาสองซ อ, องเขาเงยหน้าขึ้นจากแผนที่เลิกคิ้วเหมือนจะถามหล่อนก็พยักหน้าบอกมายิ้มยิ้มคริสบอกฉันว่าบุหรี่ของคุณหมดไปตั้งนานแล้วเอาไปสิขอบคุณแต่คุณเก็บไว้เองไม่ดีเหรอ ผมน่ะสูบบุหรี่พื้นเมืองของพรานป่าได้น่ะคุณน่ารับไปเถอะถ้าคุณไม่รังเกียจของฉันนะ่ะยังเหลือ อ, อีกหลายซองมันเป็นเพียงการสนองตอบบุญคุณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละเท่าที่ฉันจะทําได้ในยามนี้เท่านั้นจอมพรานยิ้มให้นิดหนึ่งไม่อยากจะให้เสียน้ําใจจึงรับบุหรี่ทั้งสองซองนั้นไว้ซองหนึ่งซองหนึ่งบรรจุลงไปในซองเก็บบุหรี่พลาสติกชนิดกันน้ำและเหงือ่อ ใส่กระเป๋าเสื้อไว้อีกซองก็โยนลงไปในเป้หลังของเขาที่ถอดวางอยู่ใกล้ๆแล้วพับแผนที่ซึ่งกลางอยู่เก็บช้าๆในระหว่างที่หลอนทำท่าเหมือนจะชะโงกเข้ามาดูกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากกายของแม่ผมแดงโชยมาสัมผัสคานะปราสาสของเขาและเมื่อจ้องไปที่ใบหน้านั้นก็แทบจะหูรเราอออกมาดังๆเมื่อเห็นแม่ผมแดง มีริมฝีปากที่แต่งแต้มไว้ด้วยลิปสติกและผิวหน้าก็มีการเมคอัพไวอย่างสวยสดผิดไปกว่าทุกครั้งหล่อนยิ้มกว้างออกไปอีกเมื่อเห็นเขามองจับนิ่งมาด้วยอาการเหมือนจะพิเคราะห์ภายหลังอึ่ใจใหญ่ที่ระพินไม่ได้กล่าวขึ้นเช่นไรหล่อนก็พูดขึ้นมาว่านี่ฉันนึกว่าคุณจะหัวเสียเอตโตโรด่าว่าอะไรฉันซะอีก แต่กลับเห็นคุณยืนดูเฉยๆหัวเสียเหรอคุณหัวเสียเรื่องอะไรเอาก็เรื่องที่ฉันแต่งหน้าทาปากเสียอย่างกจะไปเที่ยวปิกนิกยังไงล่ะ <c ười> นี่คุณพูดเองไนงะผมไม่ได้พูดนะทาเนี่ยก็นั่นนะสิทำไมคุณถึงคุณถึงไม่พูดมักงล่ะ <c ười> ผมกำลังนึกชมคุณอยู่ว่าสวยมากนะสำหรับเช้าวันนี้ นี่พูดจากใจจริงผมน่ะอยากเห็นคุณสวยอย่างนี้ทุกขนาดไม่อยากเห็นคุณหน้าตามอมแอมเมต็ไมไปด้วยเหงือ่อคลายหรือมีริ้วรอยของความทุกข์ความย่อท้อหรอกระพินพูดด้วยเสียงเรียบปะกะปะติของเขาเบนหัวเราะ อ, อย่างถูกใจส่งมือไปให้จับและบีบฝ่ามือกล้านแข็งของเขาแน่นกระชับสั่นแรงๆนี่ระพิน คุณน่ะเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงและฉันก็แพ้พนันคริสเขาละพนันเหรอพนันอะไรนีใช่ฉันพนันกับเขาว่าเช้านี้หลังอาบน้านแต่งตัวเสร็จฉันจะแต่งหน้าให้สวยดูเหมือนไปเที่ยวอยังงั้นแหละแล้วจะดูสิว่าคุณจะโวยวายด่าว่าหรือแสดงอาการหมั่นไส่ไม่พอใจยังไงแต่คริสบอกว่า ฉันจะไม่มีวันเห็นนาการเช่นนั้นจากคุณหรอกถ้าฉันไม่ทําตัวให้เป็นภาระของใครแล้วก็จริงอย่างคริสว่าทุกอย่างคุณไม่ได้ว่าอะไรฉันด้วยเห็นว่าฉันเสียสติใดไปทั้งสิ้นความจริงฉันก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาแกล้งทําให้คุณหัวเสียอะไรหรอกเพียงแต่เห็นว่าตัวเองอโซมาหลายวันแล้ววันนี้ก็อยากจะสวยบ้างแล้วก็ธรรมชาติแท้จริงของผู้หญิงเนี่ะ แม่จะรู้ตัวว่าความยากแทนแสนสาหัสหรือต่อให้ความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าก็ยังอยากจะตายในขณะที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดคุณไม่ว่าชั้นโดยวาจาแล้วก็อย่านึกว่าด้วยใจด้วยนะระพินยิ้มอย่างเป็นมิตรเป็นรอยยิ้มแห่งการปลุกปลอบให้กำลังใจถูกต้องสิเบลคุณควรจะสวยเอาไว้เสมอ แม้ขนาดที่มองเห็นความตายรอคอยอยู่ก็ตามอีกประการหนึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงกำลังใจของคุณที่เข้มแข็งปราศจากความย่อท้อทอดอะไรผมน่ะไม่ได้คิดตำหนิอะไรคุณรอกสวยไว้นะ่ะดีกว่าโซมเพราะความโสมมันกำลังเล่นงานพวกเราอยู่ทุกขนาดจิตแล้วคุณเคยเห็นไม่ใช่เหรอเบแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว ก่อนจะนำลงบรรจุในหีบศพญาติมิจยังต้องแต่งตัวให้ศพอย่างสวยงามที่สุดเพราะฉะนั้นผมยินดีครับที่เห็นคุณแต่งตัวให้สะสวยเข้าไว้อร์ตาของหล่อนเป็นประกายพอใจและร่าเริงเอามือมาผลักที่อกเข้าเบาๆนี่รพินฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็รอดฟื้นคืนคงมาได้ ก็เพราะคุณน่ยช่วยเอาไว้ถ้าจะตายใหม่อีกก็ช่างมันเถอะแล้วฉันก็ดีใจที่คุณเข้าใจความรู้สึกของฉันตรงข้ามกับจารย์คิดแล้วก็เชิดบุตรพวกนั้นอะมันใส้ฉันเต็มประดาแล้วด่าว่าฉันเป็นการใหญ่ที่เห็นฉันแต่งหน้าฉันก็เลยเอาหน้าของฉันมให้คุณดูไงจะได้ดูสิว่าคุณจะพลอยดูด่าว่ากล่าวฉันบ้างไหมแต่กลับปรากฏว่าเป็นตรงกันข้ามขอรับรอง ว่าฉันจะพยายามทำตัวให้เป็นภาระสำหรับคุณหรือพวกคุณน้อยที่สุดแล้วก็จะระวังตัวเองให้มากที่สุดด้วยคุณไม่ต้องห่วงดีมากเบลผมเชื่อว่าเหตุการณ์และวันเวลาที่ผ่านไปมันทำให้คุณเข้าใจอะไรอย่างแจ่มแจ้งและมีความทรหยอดทนขึ้นมาถึงระดับที่ผมพอใจขอบคุณอีกครั้งครับสาหรับบุรีคุณกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมได้แล้วละ่ะ เรามีเวลาอีกไม่เกินยี่สิบนาทีก็จะออกเดินทางละไปบอกพวกคุณด้วยว่าเรากำลังจะเคลื่อนที่แล้วคุณอนุญาตให้ฉันใช้ไรเฟิลประจำตัวได้แล้วหรือยังเนี่ยหล่อนถามในขณะที่ดอกเอ็มสิบหกแบบคอมมนโดที่ถือติดมือมาด้วยขึ้นไปสูงแล้วรับไว้อย่างคล่องแคล่วพร้อมกบชูให้เขาดูเรารอบดีมากครับที่ถามอย่างนี้ ในป่านี่ยถ้าปืนไม่ได้อยู่ในมือเราจะหาหลักประกันอะไรไม่ได้เลยครับจําไว้แล้วสําหรับวันนี้ตัวคุณเองจะรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นครับว่าจะมีมันติดมือติดไหลไปได้ไหมถ้าได้ก็ควรจะต้องเอามาประจําตัวแล้วหรอกถ้างั้นฉันขอทดสอบทางปืนปฏิบัติการของมันสักนัดสองนัดได้ไหม ก่อนออกเดินทางเพราะทิ้งไปทั้งหลายวันแล้วนี่ตกลงครับไปบอกพักพวกคุณซะก่อนละกันว่าคุณจะลองปืนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ฝ่ายผมทราบจะได้ไม่ตกใจนึกว่าเกิดอะไรขึ้นเบนกลับเดินไปยังพักพวกที่กำลังเตรียมตัวกันอยู่พูดบอกอะไรอยู่ครู่หนึ่งและสแตนลีก็ตะโกนถามความเข้ามาแล้วพินโบกมือตอบเป็นเชิงรับรู้ และร้องบอกไปทางคนของเขาทุกคนว่าจะมีการลองทางปืนพวกรานพื้นเมืองและลูกหาดทั้งหลายเมื่อทราบก็เข้ามายืนมุงดูในขณะที่รพินก้าวตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแม่ผมแดงยืดผ่านท้าย M16 ให้ยาวออกมาสำหรับเป็นที่ประทับไหลกระชากลูกขึ้นลำ ตั้งสวิตบังคับการยิงเป็นกึ่งอัตโนมัติแล้วประทับไลเล็งไปยังยอดหินลักษณะเป็นตุ่มโผล่สูงขึ้นมาเหมือนลูกมะพร้าวที่ใครเอาไปประดับไว้บนยอดห่างออกไปประมาณห้าสิบเมตรซึ่งสแตนลีย์ชี้ให้ดูทุกคนของฝ่ายนายจ้างยกกล้องขึ้นซองจับดูอยู่ระพินยืนกอดอกห่างออกไปทางเบื้องหลังกลุ่มเล็กน้อยโดยมีบุญคำจันเกิและเสย เข้ามายืนดูอยู่ข้างๆเขาหลอนเลงอย่างรวดเร็วและลั่นไกทันทีเสียงกระสุน 5.56 ม ม, มระเบิดแหลมสนันวันไหวท่ามกลางความเงียบสงัดของสถานที่แวดล้อมยอดหินตำแหน่งนั้นปลิวแตกกระจายเป็นฝุ่นในพริบตาพร้อมๆกับเสียงระเบิดของกระสุนรอนยิงซ้ำไดต่อไปทันทีอีกนัดนึง คราวนี้ตุมที่แตกบินไปก่อนถูกเด็ดยอดหักกระเด็นหายวับไปกับตาทั้งก้อนสเตลลี่คีดและเชิดบุตรปรบมือให้แกหลอนวกลูกหาบทังหลายครั้งในลำคอส่วนตาเท่าบุญคำเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับเขาเบาๆนายๆแมนเบย์ใช้การได้แล้วใช้ได้ทุกอย่างเลยนายจกเน้นคำว่าทุกอย่าง จนรพินชำเลืองหางตาทำให้แกถอยห่างไปพ้นรสศมีมือและเท้าของเขาเบลไยหลังจากทากระสุนให้หมดสิ้นจากแมกซินไปสองนัดหล่อนก็บัรจุให้เต็มอัตราใหม่อย่างคนที่ชำนาญต่อสถานการณ์และจัดการตรวจสอบปืนสั้นประจำตัวก่อนจะยัดลงซองข้างเอวความคล่องตัวฉับไวกลับคืนมาอีกครั้งายหลังจากพ่อแปรมาหลายวันจากการ ก, กราดกำหนักทาให้ความบึบบับ ในร่างกายของหล่อนลดลงกลายเป็นเพียวระหงหมดสิ้นไขมันส่วนเกินได้สัดส่วนงามยั่วตายวนใจขึ้นอีกอักขูตะโพกลดเอวลดสวงอกบางลงกว่าเดิมแขนขาแรง่งประกอบไปด้วยมัดกล้ามเหมือนนักกีฬาหญิงเกือบจะใกล้เคียงกับรูปร่างของคริสติน่าซึ่งบัดนี้กลายเป็นลักษณะแทบจะเรียกได้ว่าผอมฉลูดเพราะแต่เดิมเป็นคนรูปร่างสูงเพียวอยู่แล้ว พวกเราพร้อมแล้วระพินหัวหน้าคณะฝ่ายเมริกันร้องบอกเข้ามาในขณะที่ผลัดกันรัดสายเครื่องหลังและผูกสายเชือกรองเท้าเดินป่าส่วนพูกลูกหาบทั้งหลายก็เก็บข้าวของเท้าฮีพอเรียบร้อยขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ1 1บเนาฬิกาซึ่งจัดว่าสายมากแล้วท้องฟ้าโปรง่งใสแดดกระจ่างไปทั่วปราศจากเมฆหมอกและอากาศกำลังสบาย ท่านใหญ่ตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วสั่งให้เคลื่อนที่ลงจากเนินของป่าหินอันเป็นที่พักแรมบ่ายหน้าลงบริเวณที่ลาดต่าตอันเป็นทุ่งหญ้าอาณาบริเวณไม่กว้างไกลเกินไปนะักโดยชี้ทางให้บุญคำซึ่งนั่อยู่หน้าขบวนให้เบี่ยงพ้นจากบริเวณดงว่านผีปอบไปทางด้านตะวันออกอันมองเห็นแนวป่าทึบเป็นทิวขวางอยู่ซึ่งเมื่อมองจากที่สูง จะเห็นทิวเขาเทียมเมฆกันเป็นกำแพงลิบๆอยู่เบื้องหลังประดุดฉากว่าช่วงแรกระหว่างที่ตัดผ่านทุ่งกันไปเขายังเดินในสภาพปกติรวมกลุ่มอยู่กับฝ่ายในจ้างปล่อยให้บุญคำนำไปเบื้องหน้าก่อนพร้อมกับลูกหาดเชิดบุรกระชัน้นฝีเท้าเข้ามาใกล้แล้วก็ส ก, กิดเขาบุยปากไปทางดงว่านผีปอบที่แลเห็นเป็นละเมออยู่เหมือนจะถามอะไรสักอย่าง แต่พลานใหญ่กระซิบบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยครับปล่อยเขาไว้งั้นแหละเรากำลังจะจากไปแล้วแล้วเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้มารบกวนให้ร้ายอะไรกับเรามากมายเกินไปนะักอ่ะพี่แล้วทำไมเราไม่เผาทำลายมันเสียละ่ะระเบิดเพลิงของไอ้พวกนี้สักสองสามลูกก็ไม่เหลือแล้วนี่นายทหารหนุ่มถามมองดูพงไม้ประหลาดที่ผ่านไปนั้นอยังไม่ค่อยจะสบายใจนะัก เสียเวลาเ ป, ปล่าคุณเตืองระเบิดบบเปล่าด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับเขาเราไม่ได้มาตั้งทีมฐานถาวอนอยู่ที่นี่นีปล่อยไว้ประดับป่าดําอย่างนี้แหละครับถ้าพ้นรัศมีสักสามสี่กิโลจะสิ่งไร้ไร้ที่สิงสถิตอยู่ในพืชชนิดนี้ก็หมดฤทธิ์ที่จะตามรังควานเราได้อีกแล้วถ้าไปมัวกังวลกับสิ่งต่างๆที่เราผ่านพบเห็นเหล่านี้เราก็ไม่ต้องคืบหน้าไปไหนละแก้ไขกันในปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าครับอะไรที่มันไม่เป็นปัญหา อย่าไปเสียเวลายุ่งกับมันบอกว่าคุณคงจะไม่รักแค่ระใครอะไรพวกนั้นรู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกพี่ผมไม่ได้พูดอะไรกับพวกนั้นหรอกในเรื่องโดงว่านผีพวกนี้ดีครับดีแต่วันนี้หนักหน่อยนะมีแรงพอจะเดินไหวไหมโอ้ยสบายพี่กาลังผมไม่อยู่ตัวแล้วแล้วก็เชื่อไอ้พวกนั้นก็เหมือนกันแหละแล้วถ้าเบนกลับมามีสุขภาพได้เหมือนเดิมแบบนี้พี่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วสตลลีคิด และอิซาเบลก็สาวเท้าเข้ามารวมหมู่เดอร์คริสติน่าเดินท่อเท้ารังท้ายเงียบเงียบอยู่ตามลําพังเบื้องหลังทิ้งระยะห่างออกไปประมาณสิบเมตรเนี่ยคุณวันนี้เราบุกเข้าไปในโดงมืดนั่นใช่ไหมอเมริกันอาวุโสบุยปากไปทางด้านหน้าแล้วก็ถามขึ้นครับด็อกเตอร์เส้นทางเดินของเราก็เวียนๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ทุ่งโล่งก็โดงทึบ บางทีก็ต่ ย, ยืนบนสันเขาหรือใต้หุบเหวถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับอย่างชาอีกสักสองสาวันที่เราบุกดงทึบเข้าไปเนี่ยก็จะต้องตัดออกที่ราบสูงแล้วก็จะสูงขึ้นไปเป็นลำดับครับนี่หวังว่าคงไม่ต้องไปประจันหน้ากับไอ้ช้างผีลงยกมาเป็นโขลงเพื่อทำสงครามกับเราอีกนะในดงทึบนนั่นในคิดเอ่ยขึ้นเป็นเชิงขอความเห็นเพราะเขตขี้อ่อนขี้แก่เต็มประดา เราพ้นมนุษย์ของมันไรแล้วละ่ะคิดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะพบขลุ่มช้างผีลงอีกล้วถ้าจะพบก็คงเป็นช้างป่าทั่วๆไปเพียงแต่ตัวมันอาจจะโตกว่าช้างที่นายเคยเห็นมาแล้วเท่านั้นแหละซึ่งบางทีมันก็อาจจะหน้าหนักใจกว่าช้างผีลงของมันไรซะอีกอะไรฟื่องจุด ส, สกระบอกที่เรามีอยู่นี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนแล้วน่ะมันเล็กเกินไปสําหรับป่าในนรกดําแห่งนี้ แต่ไม่เป็นไรหรอกขอให้วิ่งเร็วๆเข้าไว้แล้วกันอย่ามัวช้างงุ่มงามอยู่นี่นายกับฉันน่ะเอาเชือกมาผูกติดเอวไว้ดีกว่านะนายวิ่งไปทางไหนฉันจะได้อาศัยติดไปด้วยท่านเอกแห่ง U.S.Army บอกมาเสียงอุอีๆถ้าจะมีการผูกติดเอวก็แล้วก็ขอให้ฉันมีโอกาสผูกกระพินดีกว่าเพราะความจริงแล้วอะ่ะฉันอ่อนแอกว่าเพื่อน ปืนที่ถูอยู่นี่มันก็จริงเล็กแล้วมิเบ็นพูดเสียงใสาอารมณ์ระรื่นไม่อนาทรร้อนใจอะไรทั้งสิน้นเป็นตรงกันข้ามกับประโยคที่พูดพวกเราทุกคนครับความจริงชีวิตของพวกเราทุกคนยามนี้ก็เหมือนได้ผูกเอลติดกันไว้หมดอยู่แล้วล่ะครับไม่มีใครที่จะเอาตัวรอดไปได้ตามลำพังหรอกนอกจากต้องคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา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 ที่พื้นเปียกชุ่มไปด้วยฝนเมื่อหัวรุ่งนี้